ก็เมื่อกี้พระอาจารย์ออสพูดได้ชัดเจนเนาะก็จะเข้าให้อยู่ปัจจุบันขณะนะแต่ถ้าพูดที่ใดที่ยังหลงลืมตัวก็ไปยึดปัจจุบันมีเราเข้าไปฟังมีเราเข้าไปรู้แล้วก็จะมีเราเข้าไปกระทําครั้งต่อไปแต่เมื่อกี้พระอาจารย์ออส ท, ท่านพูดให้เห็นให้มีเราเห็นเราคนน่ะว่าให้กลับมารู้เราเนี่ยขนาดนเนี้ยให้เห็นสภาวะที่กําลังปรากฏก็แรกวทำมาโอสถนะคือขนาดนี้เดี๋ยวเนี้ เป็นผู้สังเกตการณ์ถ้าเดิมทีจิตมันไม่มีสังขารแต่แ้าก็ต้องอาศัยสังขารเพื่อเข้าสู่วิสังขารแต่การฟังใบบัเนี่ยนะมันเป็นประโยชน์มากในสมัยพุทธ ก, การยกตัวอย่างเนาะเพราะว่าตอนนั้นที่มีเศรษฐีคนหนึ่งก็จ้างม่ลูกคนนี้ไม่เป็นลูกเศรษฐีไม่เคยฟังทำเลยแต่ด้วย อ, อุบายของพ่อเข้าพยายามให้เงินลูกไปฟัง ฟังทำแล้วมาเล่าให้พ่อฟังว่าเขาไปเล่าอะไรแสดงอะไรแกก็เป็นนั่งฟังวันแรกไม่ได้เลยหลับฟังด้วยเพื่อต้องการได้เงินก็ตั้งใจฟังตั้งใจฟังความตั้งใจโดยไม่ได้ตั้งใจก็เกิดการพิจารณาอย่างที่พระอาจารย์อนุภู พ, พิจารณาไปด้วยปรากฏถ้ากลับมาก็ได้เป็นอายะบุคคลอันนี้คือประโยชน์ของการฟังบ่อยๆมันจะซึมเข้าไปแต่โซ่สภาวะจริงๆเนี่ยที่ฟังมาทั้งหมดอะมันจะใช้เพียงแค่วินาทีช่วงสภ า, สภาวะของพัรษานี ความเก่งของผู้ที่แยกบาลธทำ ม, มันไม่ได้เก่งที่ว่าเรานั่งสมาธิได้นานสี่ห้าชั่วโมงมันไม่ใช่เก่งที่ว่าเราเดินจองกลมเ น, เนี้ยหรือเราพูดสัญญาลึกซึ้งมเนี่มันความเก่งมันอยู่ตรงที่ผัสสะแรกที่มีการกระทบอ่อย่างพระอาจารย์เนี่ยอยู่วัดเนี่ยมันก็เพียงแค่ลุกกิเลิดภายในของเราเนพราะพอออกจากวัดเนี่ยอันนี้จะเป็นกิเลิดข้างนอกคือ บุคคลข้างนอกสร้างกิเลสให้กับเราอันเนี้ยกิเกลสภายในคือรู้จักเรากิเกลสภายนอกคือต้องไม่เอาตัวเราไม่ไปจับตัวเขามาเป็นกิเลสอีกครั้งหนึ่งไอ้ตัวนี้นจะเก่งมันวัดตรงที่ภาษะเมื่อมีการกระทบผู้ที่ไม่ฝึกเลยผู้ที่ไม่เคยเข้าฟังธรรมะเลยพอมีการกระทบก็จะมีมีเราเข้าไปกระทํากับสิ่งที่ถูกกระทําำแต่ผู้ที่มีปัญญาว่องไวเห็นสภาวะอย่างชับพันก็ เมื่อมีการกัระทบแต่แม่จะท้อนกลับเพราะอะมันไม่มีเราข้างในแล้วก็ไม่มีเขาภายนอกไม่ยึดข้างในแล้วแล้วก็ย่อมไม่มีเขาข้างนอกเพียงแค่สภาวะหนึ่งที่ปรากฏแล้ ก, ก็ดับไปมีแล้วก็หายไปนะนโมธนานะขอบคุณมากอาจารย์ออสดีมากครับวันนี้ก็พวกเราก็เนาะลองเล่าเปนประสบการณ์ก็ได้คือประสบการณ์ในทํานองที่ว่าเ อ, อ่อ อาจจะเดิมเคยเข้าใจผิดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอเข้าใจถูกอ๋อมันเป็นอย่างเนี้ยคือมันเห็นความแตกต่างแล้วก็อาจจะทําไมจึงเห็นความแตกต่างอย่างเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวหลวงพ่อเล่าอีกสักตัวอย่างหนึ่งเนาะคือเรื่องประสบการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับกับชีวิตเนี่ยกับกับตัวเองเนาะได้จํามาแล้วก็เอามาม า, มาเล่ากันนะแต่เหตุการณ์นั้นอ่ะมันเกิดมันเกิดเองโดยที่ว่าเราไม่ได้เจตนาให้เกิดเลยก็มาเล่าเพื่อเป็น เป็นอะไรละเป็นรูท่าเป็นอะไรละเป็นเรียกจื้อไม่ถูกเอาเป็นอย่างนี้คือเอหลังจากนี้ไปน่าจะสักสองสามปีได้มึงเนาะคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือหลักการก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเออการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะมันมีความก้าวหน้ารู้สึกว่าสติปัญญาเออมันก็จเจริญดีอ่ะ มันรู้สึกนะเป็นความรู้สึกกันนะเออเพราะทุกคนก็มีความรู้สึกได้แต่ที่หนึ่งะสักสองปีได้เมืองความรู้สึกว่าทําไมอ่ะมันตันมันตื้อมันปัญญาไม่เดินเลยมันทรงคงที่เอาไว้ประมาณอย่างเงี้ยเนาะเวลาเดินจงกรมมันก็ชอบพึมพำอยู่เรื่อยเลยบอกสองปีมานี้ทําไมมันมันไม่รู้อะไรเพิ่มขึ้นเลยอ่ะมันเท่าเดิมอ่ะเออประมาณนี้เนาะแต่จริงๆในเรื่องอื่นๆเหมันก็ว่ามันเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังหมด อนนีจังทุกขังอานาตตาหมดแล้วแหละมันเข้าใจคือมันไม่หมดอ่ะแต่ว่ามันเข้าใจเนาะแต่ทีนี้มันเหมือนกับว่ามันมันบนอยู่บ่อยๆเวลาเดินมันบนบ่อยๆเดินเหมือนกับคนที่แบบอคือมันเหมือนกับว่ามันไม่สมหวังสักอย่างหนึ่งเนาะไม่สมหวังว่าปัญญามันไม่เกิดไม่เดินเลยอย่าเงี้ยแต่มันมีวันหนึ่งอะอยู่ๆปั๊บเนี่ยมันปิ้งขึ้นมาเลยนะมันผุดขึ้นมาเองมันบอกว่าเมื่อตัวเราไม่มี แล้วใครจะเอาปัญญาโอ้โหยมันผุดขึ้นมาในใจอะตรงเนี้ยมันตื่นมันตื่นขึ้นมาแบบเชนี้ที่มันพลิกเลยอะพลิกไอ้ความที่อยากได้อปัญญาเนาะมันบอกเมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครอยากจะเอาปัญญาพอเป็นตรงเนี้เหมือนกับว่ามันหลุดมันโป้เลยนะหลุดโป้เลยเหมือนกับว่ามันไอ้ของที่เคยอยากได้อยากมีเนี่ยมันดับหมดเลยเพราะมันมันเหมือนกับว่าธรรมเนี่ยมันมาบอกไงบอกว่า ตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีแล้วเคยอยากได้ปัญญาพอมันโพรงแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยความรู้สึกว่ามันมันจบเลยมันเห็นแบบไม่ใช่แค่เรื่องความอยากได้ปัญญาแล้วความอยากได้อย่างอื่นมันก็หยุดเหมือนกันก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นที่ที่นักปฏิบัติเขาอยากกันนะนะมันหยุดอย่างนี้ตรงนี้หลวงพ่อกึงเงชี้เห็นว่าเออบางครั้งเนี่ยความหลงเนาะซึ่งมันรู้ไม่ได้ขณะที่มันหลงอะ่ะมันรู้ไม่ได้ แต่ถ้ามีเหตุปัจจัยทําให้มันมันมันเกิดสติปัญญารละลึกได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะพลิกพลิกความหลงเนี่ยให้เป็นความรู้แจ้งขึ้นมาพอรู้แจ้งเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆตอนที่มีความหลงมันอยากได้อยากโน่นเนาะแต่พอมันพลิกปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันดับเกี้ยงเลยอะ่ะดับแบบมันรู้ได้เลยว่ามันดับจริงๆอะ่ะแล้วก็เบาหิวเบาเหง่อเลยเงี้ยเนาะตรงเนี้ยหลวงก็เลยมาเล่าเป็นประสบการณ์ว่าบางครั้งอ่ะนะ ที่เรียกว่าเอาวิชาก็ดีที่มันยังรู้ไม่หมดหรือยังรู้ไม่ได้ในขณะนั้นเนี่ยมันอยู่ในความความหลงเนี่ยก็มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสภาพ ธ, ธรรมะที่มีอยู่จริงอ่าเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงแต่สุดท้ายมันของพวกเนี้ยมันก็เปลี่ยนได้ไงจากหลงมันเปลี่ยนเป็นรู้ได้แล้วเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นหลงสลับไปสลับมาเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติข่ายปรุงแต่งอ่าใช่ไหม เดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงไอ้นี่คือสภาพสิ่งที่ถูกรู้ไงถูกรู้พอหลงพอตื่นมามันรู้ว่าหลงอ่าแล้วก็ไอรู้เนี่ยมันก็รู้ว่ารู้ก็คือมันมันเป็นเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยความหลงความรู้ระดับนั้นเป็นสิ่งถูกรู้แต่ก็มีธรรมชาติอันหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่หลงและก็ไม่ใช่รู้หมายความว่าไม่ใช่รู้ที่เป็นรู้ที่เกิดดับนะแต่มันเป็นรู้อย่างเดียวอย่างที่หลวงพ่ออธิบายก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยอันนั้นแหละเป็นความไม่หลงและเป็นความ เป็นความคือมันเป็นอมตะของมันเช่นนั้นอืมีอยู่อันนี้ก็มาแชร์เป็นประสบการณ์ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีแน่นอนแหละหลงกับรู้เพราะว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นทีนี้ก็ได้ข้ออย่างน้อยก็ได้ฟังนะเกิดปัญญาตรงที่ว่าสมมุติว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้โยมยังรู้สึกว่าเรายังมีทุกข์อยู่เรายังไม่เข้าใจเราแย่มากเห็นไหมมันหลงแล้วหลงว่าเป็นเราแต่พอฟังอย่างนี้ปั๊บอา้าวนี่มันหลงว่ามีเรานี่เราไม่เข้าใจ เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะพลิกกลับได้เลยว่าโตไอ้นั้นก็เป็นสังขารตั้งนานนะความรู้สึกก็เป็นสังขารความคิดก็เป็นสังขารความเข้าใจความไม่เข้าใจก็เป็นสังขารแต่จริงๆริงไอ้ความคิดที่เป็นสังขารตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียนที่มันหลอกอย่างหลอกหลวงพราะมันบ่นทั้งหลายวันแต่หลวงพ่อเหมือนกับว่าทําไมมันไม่เห็นความคิดตัวนี้มันคิดอะแต่ว่ามันไม่ลึกซึ้งมันเข้าไปเป็นผู้คิดเนอะก็เลยคิดเอาคิดเราทําไมเราไม่มีปัญญาเราไม่มีปัญญาแต่พอมัน พลิกเปลี่ยนปั๊บมีสติปัญญาเกิดขึ้นในฉับพันธ์ตอนนั้นเนี่ยมันแจ่มแจ้งเลยอ่าเนาะก็เล่าเป็นประสบการณ์จากประสบการณ์ด้วยฟังเชิญนะใครจะคุยเล่าประสบการณ์ก็ดีนะใครมีอะไรที่ในทางก่ออ่าในทางที่จะให้เกิดปัญญากับผู้อื่นด้วยอะ่ะคือที่ฟังหลวงพ่อพูดนะครับมันทําให้เห็นความจริงหรือว่าความรู้ที่เรารู้มาทั้งหมดนี่ครับเป็นความรู้ที่มีเรารู้ซึ่งเป็นความรู้อย่างนี้นะครับ มันเป็นความรู้ปลอมทั้งสิ้นเลยที่เหมือนหลวงพ่อบอกพอถามว่าทำไมมันรูปปลอมมันเป็นความรู้ที่ยังมีการเกิดดับมันไม่เที่ยงถ้าความรู้ใด จ, จริงมันต้องเป็นความรู้ที่มันไม่เกิดไม่ดับแล้วถามว่าทำไมจึงมาพูดได้หระว่าความรู้ที่ไม่เกิดไม่ดับมันเป็นความรู้ที่จริงเพราะมันกาลังมีครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นมันกาลังมีแต่ ไม่เคยรู้เลยว่ามันกำลังมีก็พูดกันง่ายๆว่าเรารู้นะครับว่าเป็นจิตว่าเป็นเรื่องของจิตเรื่องของสิ่งที่เกิดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในไม่ได้เกิดขึ้นภายนอกเรารู้หมดตรงนี้แต่ว่ามันก็ยังเป็นเรารู้ต่อเมื่อไรก็ตามที่มันเราถูกรู้หรือว่าเออรู้เรานี่ครับมันก็จะเป็นอี ก, อกฉากหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่มันเหมือนกับว่าเราตอนแรกเราในที่นี่หมายถึงว่ามันอยู่ในห้องตรงที่มีห้องที่เป็น Africa, ที่ที่ที่ห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งห้องห้องใดห้องหนึ่งแต่พอเราถูกรู้แั้วครับมันกลับกลายว่ามันมันไม่ได้อยู่ที่ใดที t, ่หนึ่งซะแล้วมันเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ที่ห้องหรือที่ที่อันจำกัดแล้วเพราะพราะที่อันจำกัดมันมันยังมีสถานที่มันยังมีมันยังมีเวลามันยังมี มันยังมีเงื่อนไขต่างๆที่ที่เป็นเรื่องของสังคารนะครับแต่พอพ้นสังขานแล้วสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันมันไม่สามารถที่จะมาครอบงำได้อีกแล้วครับเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับกราบนม้มาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะกราบนะน้มาสการพระพลอยเจ้าค่าแล้วก็กัล ย, ยาณนนมิตรทุกท่านนะคะค่ะก็อืมไม่รู้จะพูดอะไร ก็หลังจากที่เริ่มเข้าใจจะวเริ่มแบบเริ่มเข้าใจก็ได้ค่ะก็ก็จะมีหลงกับรู้ค่ะถ้าถ้าหลงไปยึดสั ง, สงขารนะคะสิ่งที่ปรากฏเป็นเราหรือขันห้าก็จะทุกข์พอรู้สึกตัวมาว่าอา้าวหลงไปแล้วนี่นามันก็กลับมาเป็นรู้ก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างเนี้ยเจ้าค่ ะ, คะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่า ขันห้าหรือจะพูดว่าร่างกายก็ได้ค่ะมันสะเทือนนะคะมันมันเหมือนแบบสะเทือนรับรับรับรู้รับรู้ได้ถึงการสั่นเทือนของร่างกายบ่อยมากเลยเจ้าค่ะอย่างนั่งคุยอยู่ตอนนี้อะค่ะมันก็สะเทือนเหมือนแต่เราก็รู้ว่ามันคือสังขารนะเจ้าค่ะก็รับรู้มันไปรับรู้มันไปคือมันชัดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเจ้าค่ะอาจารย์ณตอนนี้นะเจ้าค่ะเป็นมาได้สักประมาณหนึ่งเดือนนะเจ้าค่ะนี่ยอ่า รับรู้ไปอย่างนั้นแหละเนาะรับรู้รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบแต่ก็ไม่ไม่หลงไม่ยึดอะไรคือรับรู้รับทราบเรื่อยไปนะเป็นปัจจุบันขนาดไปนะมันแสดงให้ดูเพราะว่าสิ่งถูกรู้เนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์มันแสดงให้ดูนะค่ะเห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ไม่ได้ไม่ได้ถึงมันจะแสดงดีใจหรือเสียสันยังไงมันก็แค่เป็นสิ่งถูกรู้เนาะอค่ะก็นั่นแหละเดินทางเส้นนี้แหละเออก็ดีแล้วเห็นโยมก็เป็นผู้ติดตามแล้วก็ฟังมา ตลอดเลยอะน้อยครั้งที่จะหายไปอาจจะมีความจําเป็นแต่ส่วนใหญ่คือเห็นหน้าเห็นตาอยู่อืมค่ะช่วงนี้แล้วมีความาสงสัยอะไรไหมล่ะถ้าเออาช่วงนี้อเลยถามว่าสงสัยอะไรไหมก็คือว่าเหมือนกับว่ามันถ้ามันไปทุกข์หรือว่ายึดยึดสังขารเนื้อเดียวกับสังขารหรือขันห้าค่ะมันก็จะทุกข์พอมันเห็นมันก็ออกมาคล้ายๆว่าเจะพูดยังไงดีว่าอาจารย์คล้ายๆว่า สิ่งใดคือโยมจะมีคีย์เวิร์ดของโยมอยู่ว่าสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นเป็นสังขารก็สังขารไม่ใช่เราอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมันก็จะออกมาเองมันรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่มันมันเป็นสิ่งที่ปรากฏอะค่ะเป็นแค่มายาของจิตอย่าเงี้ยค่ะมันก็ออกมาเป็นผู้รู้แล้วมันก็เขาใช้คือทุบมันสั้นลงเรื่อยๆอะเจ้าค่ะ มันไม่ทุกเยอะเหมือนเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนถ้ามีอะไรแบบกระทบแรงๆภาษาแรงๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็จะไปเป็นมันนบบบางทีก็เป็นเดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยุนี้มันก็แป๊บแป๊แป๊บแปบบางทีมันเห็นพร้อมกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นเห็นทั้งตัวเนี่ยค่ะแสดงพฤติกรรมที่น่าเกลียดออกมามันก็หยุดมันมันมันเห็นแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ทำต่อมันก็ไปทําปัจจุบันใหม่ๆที่เกิดขึ้นภาษาใหม่ๆความเข้าใจก็คือว่ามันก็ดับไปเลยนะตอนนั้นเลยค่ะมันก็ไปไปรับรู้ภาษาใหม่ๆหึือ ใหม่ๆที่เป็นปัจจุบันขณะไปาเรื่อยๆอะค่ะไอตรงเมื่อกี้ที่เป็นอารมณ์แรงๆซึ่งเป็นนิสัยที่น่าเกียรติมันจะดับไปต่อหน้าต่อตาเลยอย่างเงี้ยค่ะเออก็อย่างนั้นอย่างางั้นแหละเนาะก็เนาะไม่หลงยินดีอะไรมันเนาะแต่โยมจะดูแล้โยมเข้าใจแล้วแหละนะเออเข้าใจในเรื่องของสภาวธรรมแล้วก็ชีวิตที่ยังไม่ตายเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้พบเห็นมากขึ้นบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นนะยิ่งยิ่งเห็นเท่าไหร่มันยิ่งแจ้งอะนะเออโดยเฉพาะ เห็นตัวเองนะเห็น so ต so so so yeah, ัวเองคืออารมณ์ที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งถูกรู้เนาะที่เราพูดถึงเป็นสิ่งถูกรู้แต่ทีนี้ถ้ารู้ผู้รู้ได้เนี่ยสุดยอดผู้รู้ก็คือเรานี่แหละเราที่เป็นผู้รู้อารมณ์มันแหละพอรู้ผู้รู้ปั๊บแล้วเนี่ยผู้รู้มันก็เป็นสังขารเหมือนกันเกิดดับนะอ่าเนี่ยเอารู้กันแค่เนี้ยรู้กันแค่นี้อืมเพราะไอ้ธรรมชาติที่รู้ผู้รู้เนี่ยตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงอีกเดี๋ยวคนหลายคนพอไปพูดปั๊บมันจะเอาตัวเราไปหาไปรู้อีกแล้วโอ้ยหลงตายเลยอย่าเงี้ย ก็เอาเป็นว่ารู้ตัวเองอะไรโดยภาพรวมเนาะเป็นปัจจุบันขนาดไปเรื่อยแล้วก็อดีตที่เคยเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้อันนั้นก็ไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันก็รู้เนี่ยตื่นรู้อยู่ปัจจุบันในอะไรเกิดขึ้นก็นะใช่หลักสติปัฏฐานนี่แหละเนาะเจ้าสาวเจ้าขอบพระคุณเจ้าค่ะกว้างอ่าลถามหลวงพ่อสักนิดบางครั้งนั้นครับการที่เราเสร็จช่นว่าขณะที่เรารู้ว่า ว่าว่าขณะนั้นมันเป็นอาการคันหรือบางทีในขณะที่เราที่มันมีอาการคันบางทีมันมีอาการหงุดหงิดอีกหรือบางครั้งมันมีคันมันมีอาการคันด้วยมันหงุดหงิดด้วยนะครับหรือบางทีมันมีความรู้สึกว่าเอออ่าอ่าเห็นตัวเองด้วยในหลายๆครั้งที่มันที่มันเป็นภาวะที่มันมันมีกภาวะที่เกิดหลายอย่างในขณะที่เราที่เรารู้อย่างนั้นนะครับอย่างนั้นนะครับอืมเมื่อเกิดภาวะอย่างนั้น มันมันมีสภาวะที่ถูกรู้ไหมค ร, ร ค, รรครับนำ้ำประการครับอาจารย์ครับน้ำปการ้ำปการพระาพอาจารย์พลและหลวงหลวงพ่อจุดออดนะครับผม อ, อันนี้ก็จะเล่าประสบการณ์ที่ที่เกิดขึ้นประมาณปีที่แล้วนะครับเป็นอด้ดีก็จริงอยู่แต่มันเป็นประสบการณ์ที่เป็นสภาวะเหมือนหลวงเหมือนหลวงพ่อที่เกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ไม่ใช่แนวเดียวกันนะครับผมก็คือ สภาวะที่เกิดขึ้นก็คือตอนนั้นผมเดินเดินหลังจากฉันข้าวเสร็จเก็บบาเกจแล้วเรียบร้อยเลยที่เข้าข้าวฟุตติครับผมสภาวะที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเห็นสิ่งหนึ่งเกิดดับอยู่ท่ามกลางอากาศเหมือนกับเหมือนกับเราเราเป่าแฟบหรือเป่าพมทกฟอกนะครับ มันเป็นเป็นฟองเป็นฟองเป็นฟองเป็นกลุ่มๆเหมือนกับเด็กเล่นเล่ น, เ ล, น, เ, ล น, เ, ลนเล่นปลูกยางอะไรก็มันกระดับดับดับดับับดับไปเห็นได้ชัดมากเลยนะครับอาจารแล้วผมเห็นพวกก็อึ้งเลยมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจและเราเดินไปเฉยๆอะครับผมหลังจากนั้นผมอึ้งเสร็จผมก็น้ําตาร่วมน้ําตาร่วมแล้วก็ร้องไห้เดินกลับกุฏิ เดินกลับกุฏิก็เดินเลี้ยงๆเพราะวพระาตัวนั้นก็มีมีพระด้วยก็เลี่ยงๆไปก็ไปไปขึ้นกุฏิไปนั่งซึมอยู่แล้วก็ร้องไห้อยู่ว่าเอออันนี้มันเกิดดับจริงๆมันสภาวะที่มันเกิดเกิดดับให้เห็นชัดๆเลยว่าเหมือนลูกปลวกเหมือนไอฟองอไอที่ที่ในอากามันดับดั บ, ด, บดับไปนะครับเหมือนกับเด็กเล่นเป่าผมก็เลย รู้สึกว่ามันอันนี้เหลือแค่เกิดดับเกิดดับจริงๆเมื่อเกิดดับมันเข้าไปถึงใจก็เลยร้องไห้ยอยู่ประมาณนานนะครับอาจารย์แล้วหลังจากนั้นก็มานั่งดูว่าพิจารณาดูว่าที่มันเกิดนั้นมันคืออะไรและว้อว่างที่มันเกิดก็คือมันเป็นที่ไม่มีขอบเขตว่างตนสุดลูกหูลู ก, ลกตาชวา่วงจนว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นหนึ่งเดียวจากกับจั ก, กรวาลหรือตรงที่ว่างที่เห็นในวันนั้นเห็นแวบเดียวนะครับอาจารย์ แต่มันก็เป็นเป็นสิ่งที่ประทับใจถึงเท่าทุกวันนี้มันก็เลยมาสอดคล้องกับพระอาจารย์ที่ว่าที่พระอาจารย์แสดงธรรมวันนี้มันก็ไปไปไปผุดเอาสัญญาเก่าขึ้นมาว่าเอา้าไอที่มันเกิดดับขึ้นอยู่ในอากาศตรงนั้นก็เหมือนกับว่าสังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปและไอตรงที่ว่างๆที่ที่พระอาจารย์พูดนะั่นก็คือเป็นสิ่งที่มันไม่เกิดไม่ดับมันเป็นสิ่งที่เป็นเอา่า เป็นสิ่งที่รองรับที่เกิดจากของจิตแล้วก็น้อมมาใส่ใจตัวใจตัวเองว่าเอะนั่นแสดงว่าใจเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันใจหรือว่าจิตที่พระอาจารย์พูดมาคือมันเป็นสิ่งที่มันไม่เกิดไม่จับมันจะเป็นที่รองรับของอารมณ์ความโกรธความโลภความปวดความหลงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็ไม่มีไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีค่าอะไรต่อสิ่งที่เรามันสถานที่ที่มันเกิด พอรู้อย่างนี้ปั๊บเลยว่านั่นแสดงว่าถ้าเราเพียรอยู่กับปัจจุบันบ่อยที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ความทุกข์ก็จะไม่เกิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ปรุงไม่แต่งต่อกับไอสิ่งเกิดดับที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นไพจารย์แสดงทำแบ น, นี้ผมรู้สึกว่ามันกระแทกใจด้วยแล้วก็รู้สึกว่าพูดไม่ออกแต่แต่ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงที่อดีตสัญญากเก่ากับตัวที่ มามากระทุงวันนี้ว่ามันมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เจอด้วยตัวเองแล้วก็จับอธิบายไม่ได้ว่าอารมณ์ตรงนั้นมันไม่มีอารมณ์มันเป็นมันเป็นรู้สึกว่ามันมีสุขไม่สุขแต่มันร้องไหาร้องไห้จนน้ำตาไหลจนแบบว่าบอกไม่ถูกหรอครับพอาจารย์อันนั้นก็คือแต่ก็ไปเล่ากับอาจารย์น่งฟังว่า ม, มันคืออะไรแต่ท่านก็บอกว่า โอ้มเป็นสภาพว่าที่มันเกิดธรรมดามันจะ่าไปยึดถือไปเราผมก็ไม่ได้ยึดถือแต่มันประทับใจมากก็เลยจะมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าไอ้สีที่เกิดนั้นนั้นมันคืออะไรแต่สงสัยว่ามันสงสัยก็ครูรู้ว่าสงสัยอยู่แต่ก็ไม่มีค่าอะไรของมันหรอกจะรู้หรือไม่รู้มันก็ไม่มีความหมายสําหรับที่จะจะจ ะ, จะตรงนี้แต่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมีใครเกิดแบบนี้ไหมแล้ะยังแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ ที่เป็นขึ้นกับชีวิตจริงๆแบบนี้นี่มันที่เห็นเจ๋าโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่เจตนาอย่างนี้นี่มันเป็นสภาวะทำอะไรครับขอกาเปียนถามพระอาจารย์ด้วยครับผมก็ดีนะเออได้ก็เรียกว่ามีประสบการณ์ที่เห็นได้รู้ได้เป็นปัจจตังเนาะคนที่ไม่ไม่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นเขาก็ฟังไม่เข้าใจแต่ถ้า บางคนเขามีประสบการณ์เออเขาก็เข้าใจคือพอเราพูดอย่างนี้ครับมันมันเห็นตามได้เพราะเข้าใจแต่ก็เอาด้วยร่วมๆนะว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นสภาวะปรุงแต่งทั้งหมดนะที่ที่ที่เล่ามาเนาะเป็นปรุงแต่งก็คือสิ่งเกิดดับก็ไอเนี้ก็เป็นปรุงแต่งแล้วก็ไอที่บอกว่าว่างๆนะอั น, นั้นก็เป็นสิ่งถูกรู้รู้ว่ามันว่างมันไม่มีอะไรแล้วก็รู้ว่าความเกิดดับมันก็เกิดดับในความว่างทั้งหมดทั้งเส้นนี้ถูกรู้ด้วย ด้วยธรรมชาติที่รู้จริงๆเพราะว่าความว่างที่ถูกรู้พวกเนี้ยมันไม่มีความรู้เลยมันเป็นแค่แค่สิ่งถูกรู้ว่าว่างเนาะอาจจะเรียกว่าเป็นอวกาศเป็นอากาศเป็นอาาปนอาาระมาณอย่างเงี้ยคือเป็นความว่างแต่ความว่างอันนั้นอนะ่ะไม่มีความรู้แต่ทีนี้ว่าถ้าเรามาพูดถึงใจนะสิ่งที่เกิดดับเออสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอะ่ะตรงเนี้ยให้ลองเปรียบเทียบกันก็คือว่าสิ่งที่เกิดดับในใจเช่นโลภะโทสะโมหะหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ย มันก็เกิดในความว่างเหมือนกับที่โยมเห็นภายนอกที่โยมบอกว่ามันว่างในอากาศนะอ่าไอ้เทียบเคียงกันเลยนะภายนอกภายในเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกมันก็มีลักษณะการเกิดเหมือนลูกโป่งอะไรแล้วมันก็แตกกลางอากาศแล้วก็แล้วก็แตกบนบนความว่างกันนะอ่าอันนี้ภายนอกทีนี้พอมาเทียบกับภายในอ่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตก็เหมือนลูกโป่งนั่นแหละเกิดแล้วก็ดบับเกิดแล้วก็ดบัด บ, ดบมันดับในไหนมันก็ดับในจิตอ่าแต่จิตเนี่ยมันเป็นความว่างเหมือนกัน แต่มันต่างจากความว่างภายนอกตรงไหนความว่างภายนอกมันไม่มีความรู้แต่จิตซึ่งอยู่ในขนนันน้ในกายในในขันธ์ห้านี่ยมันเป็นธาตุธาตุรู้เป็นเป็นธรรมชาตินั่งเดิมเนาะมันเป็นความว่างเหมือนกันแต่มันมีความรู้เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในจิตในใจมันรู้แจ้ ง, ร, ง, ร, งรู้หมดรวมถึงมันไม่รู้แค่มันไม่รู้แค่เฉพาะสิ่ง ท, ที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะมันรู้กายเคลื่อนไหวก็ได้มันรู้เวทนารู้หมดเลย แล้วมีเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความรอบรู้ของมันเนี่ยมันสามารถรอบรู้โดยผ่านมันออกจะเรียกว่าออกก็ไม่เชิงคือมันสามารถรอบรู้สิ่งที่อยู่นอกนอกตัวเราได้แต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะรู้ผ่านทางอายตนะไปอะเนาะแต่มันก็รู้อะไรก็รู้อย่างที่ที่โยมโยมเล่าแต่ที่โยมเล่าเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจมันไม่ได้เห็นด้วยตาแต่จริงๆทั้งหมดทั้งสิ้นอะมันมันมัน ความว่างจากจิตทั้งหมดเลยนั่นแหะที่โยมเล่าอ่ะเออมันเพราะว่าความว่างของจิตเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีขอบไม่มีเขตใช่ไหมมันไม่มีรัศมีว่ากว้างยาวเท่าไหร่มันจึงรู้แจ้งโลกคือมันรู้ทั้งภายนอกภายในรู้หมดเลยอืรวมถึงรู้อวกาศรู้ความว่างหมดเลยอันนี้อธิบายเพื่อเป็นเป็นความรู้เฉยๆนะไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้แต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพว่าโ อ, อ้ไอธรรมชาติเนี่ยมันมีจริงถ้าเอาสมมติมาพูดมาบอกมาเล่าเนี่ย อ, อ๋อมันก็ จะได้เข้าใจมากขึ้นแต่สู้แบบรู้สึกตัวไม่ได้เพราะรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นความรู้ที่มารู้ตัวพอมารู้ตัวความรู้ที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันคนละอย่างกันแต่รู้เนี่ยมันเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งรู้เนี่ยมันเป็นรู้เป็นรู้ที่บริสุทธิ์มันไม่ได้ยึดแม่รู้มันจึงเป็นความพ้นทุกข์ไป เพราะนั้นรู้อะไรมาก็ไม่เท่ากับรู้รู้ตัวรู้ตัวเนี่ยพ้นทุกแน่นอนนะรู้ตัวคือรู้กายรู้ใจคือรู้รู้รอบรู้ในในสังขารในขันธ์หน้าเนาะอือันเนี้จบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่ประสบการณ์แล้วก็ผ่านไปไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรถึงจะร้องไห้ดีใจมันก็หมดไปแล้วเนาะเออเงี้ยแต่ก็อืมเป็นปัญญาที่ได้รู้ได้เห็นแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ยึดถืออะไรแล้วก็ปกติเหมือนกับ เทียบเทยงกับเหมือนกับไม่รู้อะไรก็ได้แต่มันรู้ไปแล้วก็จำได้กัอซึ่้หมดวางหม ด, หหมดผมขอบพระคุณมากครับะอาจารย์มานี่ใครยังงงงไหมถ้า ง, งงก็ไม่มีปัญหาให้รู้ว่าเอางี้นะสมมติพอยมงงเนาะมันจะมีบางอย่างบางคนนะคิดตามแล้วก็มโนมโนมโนคิดตามเสร็จมโนพอมโนแล้วเนี่ยตรงเนี้ยถ้าไม่รู้ตัว มันก็จะมโนไปเรื่อยปุงแต่งสภาพความว่างไปเรื่อยแต่ทีนี้ถ้ามีสติปัญญามันก็จะรู้สึกตัวว่าอ้มามโนไปแล้วพอรู้สึกตัวว่ามโนไปแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทําให้ตัดนะตัดการมาโนคือมโนไม่ออกแล้วก็การมาโนก็ดับลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเผลอตัวลืมตัวมันก็มโนปุงแต่งจินตนาการไปเรื่อยเนาะแต่ถ้ารู้สึกตัวคือรู้ตัวว่าอ้านี่ กำลังหลงคิดกําลังหลงนึกเนี่ยแล้วก็ความคิดความนึกอะไรต่างๆมันก็ขาดสะบั้นลงขณะจิตห น, นึ่งนะต่อมามันก็ก็ปรงแต่งต่อมาอีกตัวเนี่ยเขาเรียกวมันตัดนะมันตัดต้นเหตุมันตัดต้นตอมันตัดความปรุงแต่งเพื่อ <_' S 2> เพื่อหยุดอนะ่ะก็เรียกว่าหยุดขณะจิตหนึง่งอาการหยุดอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นวิชาเนาะเป็นวิชาคือวอลแวนสระอีชอช้างสองตัวแล้วก็สรอะอ่านะ แต่ถ้าไม่รู้สึกตัวมันเป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านไม่ได้สอนปฏิจจุบุญบาทแบบไล่ามาเป็นตอนหรอกท่านบอกว่าแค่รู้สึกตัวนั่นแหละมันดับอวิชชาเรียบร้อ ย, ลยหลวงพ่อเมื่อก่อนก็อฟังหลวงพ่อก็หลวงพอ่งพอเทียนก็อธิบายสั้นดีเนาะ ง, ง่ายดีถูกต้องเลยอะถ้ารู้สึกตัวมันตัดภพกัดชาติคือมันตัดหมดในขณะจิตนั้นแต่ทีนี้เวลาเราอธิบายปฏิสมุบบาทเนี่ยคือคือมันเป็นความรู้จาก จากได้ยินได้ฟังไงก็ว่าเป็นตอนเป็นตอนแต่การรู้จริงรู้จริงที่เป็นวิชาเนี่ยมันอีกอย่างหนึงแต่คําอธิบายเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือความจําบ้างอะไรบ้างปรงแต่งบ้างมนโนบ้างมันสารพัดแต่ถ้ารู้สึกตัวแบบหลวงพ่อเทียน่ะยึกเลยอะ่ะเป็นวิชาขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะอืมเพราะนั้นนะความรู้สึกตัวจึงมีคุณค่ามหาศาลอะไรเทียบไม่ได้เลยอะ่ะถึงบางทีดูว่าเหมือนกับไม่มีค่าอะไรแต่ลองรู้สึกตัวที่ถูกต้องจริงๆอะ่ะ มันหยุดสังขารจะได้อะเออดับเลยใช่ไหมดับตลอดสายในขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยถึงหลวงพ่อเทียนเนี่ยแบบสอนเนี่ยเฉียบคาดบางทีภาษาสมมติเนี่ยบางทีท่านก็ตัดไปนะที่จะยินเทปด้ยินนั่นบอกว่าบางทีเวลาเกิดอะไรขึ้นเป็นญาณเป็นปัญญาหลวงพ่อเทียนบอกเอ อ, เ อ, อจะเรียกอะไรก็ช่างมาันเหอะอย่าไปสื่อเป็นอะไรเนี่ยรู้สึกตัวนี่แหละมันมันไม่ต้องอธิบายเยอะหลวงพ่อเทียนท่านไม่รู้หนังสือเนาะ ท่านก็ใช้ภาษาของท่านนั่นแหละรู้สึกตัวจะมาเรียกวิปัสสนาสมาถาเอเรียกไปเถอะแต่ว่ามันยังไงก็ได้แต่ว่าแกนของมันมเนี่ยรู้สึกตัวจริงจริงไงไม่ต้องอธิบาย่เ <c oughs> ออครับก็หลังว่าก็พูดอะไรไปเรื่อยนะตามที่นึกได้และลึกได้ก็มาแชร์กันขอการพิจารณาครับผมก็อสอบถามอีกแป๊บติสักนะครับผมก็คือพิจารย์ให้รู้สึกตัวเพราะ ปฏิบัติมาเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้หลังจากนั้นพอรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยมันจะเกิดอีกภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือรู้สึกตัวเมื่อไหร่อา่ามันจะผลลุกสู้ซาดทางร่างกายมันจะเกิดขึ้นตลอดล่ะครับอาจารย์พอลุกรู้สึกตัวปั๊บมันก็ขลผลลุกเลยล่ะครับอาจารย์รู้สึกตัวตอนไหนผนจะลุกตอนนั้นนะครับอาจารย์นี่คือจะภาวะยังไงครับอาจารย์ครับก็ ถ้าเราพูดในถึงขั้นนี้แล้วนะก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันมีก็เรียกว่ามันมีเออมันมีอาการอย่างไรอย่างที่โยมบอกมาเนะาะก็คือมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเนาะในหลักสติปัฏฐานท่านก็บอกว่าเออกายมีอาการอย่างไรก็รู้ว่ามีก็รู้ว่ามีอย่างนั้นอย่างนั้นเนาะจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดอะไรมันมีอาการอย่างไรก็รู้ว่ามีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆอ่ะพวกนี้มันไม่ได้มีค่าเลยนะคือ คือโอเคนี่เราพูดกันเรื่องของความเพื่อที่จะหลุดพ้นปล่อยวางกันนะมันเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับเป็นแค่อาการเป็นสิ่งถูกรู้เป็นที่อาศัยของอ่าให้เกิดสติระลึกรู้ขึ้นมาแต่อาการอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สติแต่เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสติอ่าเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของอาการว่าอาการนี้ดีจังเลยหรืออาการนี้ไม่ดีมันเป็นที่แค่อาศัยของ ของการรู้หรือว่าอาศัยเพื่อให้เกิดการระลึกได้แค่นั้นเองเมื่อระลึกได้แล้วรู้แล้วก็ไม่ติดไม่ยึดอะไรนะเพราะมันเป็นสังขารที่มีการเกิดขึ้นบ้างเสื่อมไปบ้างนะเมื่อไม่ยึดไม่ติดเนี่ยถึงบอกว่ามันไม่ติดไม่ยึดอะไรในโลกนี้เนี่ยมันกึงก็จักแต่รู้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอาการเนาะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในกายสังขารในจินตสังขารในอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแค่เครื่องรู้เป็นที่อาศัยระลึกเท่านั้นเองแลก็ แค่รู้แค่รู้แค่รู้แต่กูไม่รู้อย่างเดียวใช่ไหมครับอาจารย์รู้แต่เพื่อแตเพอจะมันจะจะเกิดอะไรขึ้นใ้ร่างกายเราถ้าหลังจากที่เรารู้สึกตัวก็จะรู้ไปอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ค่อครีบไปยอดต่อ ย, ยอดใช่ไหมครับคือจะบอกว่าไม่คิดอะไรมากมันก็เดี๋ยวก็จะมีตัวเราไปสะกดเนาะไปสะกดไม่ให้คิด เอาเป็นว่ารู้ถ้ามันคิดก็รู้มันไม่คิดก็รู้คือให้มันปรุงแต่งไปตามตามที่มันเป็นน่ะเนาะใช้หลักตรงเนี้ยแล้วจริงจริงถ้ารู้แบบนี้มันไม่เบีบเขาเรียกว่าไม่เอาตัวตนไปรู้เนาะคือมันมันรู้ของมันเองแล้วก็ความปรุงแต่งที่เป็นสิ่งดูรู้อะไรมันก็เป็นของมันเองเนี่ยลองลองลองไปเปลี่ยนวิถีเขาเรียกว่าลองเปลี่ยนสมมติว่าบางคนเนี่ยเอาจริงเอาจังกับความรู้สึกตัวเนาะทีนี้ลองเปลี่ยนกันแบบนี้บ้างลองทดลองเนี่ยเพราะว่าของบางอย่างมันเป็นเรื่องต้องทดลอง คือคือเขาเรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมจากเมื่อก่อนเคยเพ่งเคยจ้องเคยอะไรแล้วก็เปลี่ยนเป็นพฤติกรรมเช่นบอกไม่ทําอะไรตอนนี้ไม่ทําอะไรเลยนะเดินลองศึกษาดูว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยไม่ต้องรู้อะไรเลยแนละ้วดูที่มันเป็นยังไงถูกไหมเออไม่ต้องรู้อะไรไม่ต้องรู้อะไรเนะี่ยส่วนมากไม่ต้องรู้อะไรเอาก็จริง่ะมันก็ยังรู้อะไรอยู่ดีแหละเออ เพราะงั้นพอเราเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดปัญญาในอีกมุมมองหนึ่งว่าโอ้เมื่อก่อนเนี่ยฝึกรู้สึกตัวเกือบตายเครียดแต่พอไม่ฝึกเอ้ามันก็ยังรู้ได้นี่หว่าอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเกิดปัญญาแล้วก็จะเข้าใจอะไรบางอย่างจากการประสบการณ์นี่หลวงพ่อก็ชอบทดสอบทดลองไปเรื่อยอะไรบางอย่างครับไปนั่งทํำโน้น ท, ำทำนี่แบบที่มันแบบ มือนไม่มีในตำราข้อสอนนะแล้วก็ไปเล่นโดแต่สุดท้ายเนี่ยจิตรู้หรือส ต, ติมันก็ระลึกได้อยู่มันก็รู้ได้นี่ยิ่งทําเป็นไม่รู้มันยิ่งรู้อ่ะพอจะทําให้รู้มันยิ่งผิดยิ่งเครียดเดี๋ยวยิ่งไม่รู้ก็ได้เออมันก็ลงล ง, ลงฝึกไปเล่นไปทําเรื่อยๆครับผมขอบพคุณมากครับอาจารย์ครับหรือหรือบางอย่างนะหลวงพ่อส่งร่าก็ยอมก็ได้หลวงก็เคยเคยเคย พูดธรรมะเนาะให้โยมฟังนะบอกว่าโยมเนี่ยทําอะไรกันมาเยอะแล้วจากนี้ไปนะโยมไม่ต้องทําอะไรนะโยมไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไร <S 2> <S 2> ทีนี้เราก็ดูพฤติกรรมของของโยมเนะพอบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเนาะบางคนนอนก็มีบางคนก็เล่นหมาเล่นแมวเล่นอะไรไปเรื่อยเนาะเออทีนี้พอเป็นอย่างงี้เสร็จแล้ ว, วออหลวงพ่อก็บอกไหนอะหลวงพ่อบอกว่าอย่าทําอะไรเลยทํำไมต้องไปทําู่นทำนีำำำ่ไปเล่นแมวทำไมไปนอนอนะเปนอนทําไปละโยมบอกก็โยมไม่ได้ทำมาะ มันมันก็เป็นของมันนะเออเนี่ยตรงเนี้ยก็แสดงว่าก็เกิดปัญญาดีเหมือนกับว่ารู้ว่าที่ทําอ่ะมันมันเป็นเป็นปกติของขันห้าคือมันอยู่นิ่งไม่ได้ไงเออขันห้ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ไปเห็นปั๊บเอากลายเป็นว่าอ๋อมันเป็นของมันเนี่ยเนี่ยเท่ากับว่ามีการรู้การเห็นว่ามันเราไม่ได้ทําอะไรแต่ขันห้ามันทําของมันไงเอออันนี้ก็ได้แต่ส่วนมากที่เราปฏิบัติผิดอ่ะคือเราอ่ะไปทําอะไรต่ออะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมด ลองไม่ทำอะไรดูดิเออหรือจะรู้ว่ามันทำของมันเองได้ยม <c oughs> หรือว่าวันนี้พอสมควร ม, ม, มันหมดเรื่องแก่โบแล้วเพราะว่าเข้าใจเข้าใจเรียกว่ามันเกิดปัญญาไปหมดแล้วว่าโอ้ทุกสิ่งที่ปรากฏก็เป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่ถัดปรากฏตัวตนเราเขาที่ไหนนะธรรมชาติรู้ที่ได้แต่รู้ได้แต่รู้แต่ไม่อาจถูกรู้ได้ นี้ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ไหนนะเป็นว่าก็คือไม่มีเราเลยนะในทั้งหมดทั้งส้นคือไม่มีเราเลยมีแต่ธรรมชาติปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งนะก็เ ข, ข้าใจในปะัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็คือก็จบจบนะก็ค <c oughs> <c oughs> งปิดแค่นี้ก่อนเนาะแล้วพรุ่งนี้เผื่อใคร นึกอะไรได้มีอะไรปัญหาก็มาคุยกันต่อนะวันนี้ก็เอวังก็มีด้วยประการลาชนะ่นนี้